สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคคนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ในหมวดของเรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับที่ผมจะนํามาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังเป็นเรื่องลี้ลับของลุงชอบลุงชอบคือลุงของพี่ป๊อบช่างทํารองเท้าแถวบ้านแกเคยได้เล่าให้พี่ป๊อบฟังตอนพี่ป๊อบไปเทีย่ยวที่ราชบุรีบ้านของย่ากับแม่แกตอนอายุ ป, ประมาณ1 3บสถึงสิปีเรื่องราวจะเป็นยังไง เรามาลองฟังกันดูนะครับฮิปอปอบเล่าว่าราชบุรีสมัยนั้นแถวบ้านหญ้าแก่จะมีโรงงานปั้นองค์อยู่หลายโรงงานสมัยก่อนตามบ้านตามเรือนคนแถวนั้นก็ใช้แต่องค์กันทั้งนั้นแหละไม่มีหลอกพวกถังเก็บน้ําแบบสมัยนี้นะ่ะตอนนั้นแกบอกว่าแกจะต้องไปอยู่ 3-4 วันโชคดีตอนที่แกไปแถวบ้านหญ้ามีงานวัดอยู่พอดีก็เลยได้ไปสนุกกับเพื่อนๆแถวบ้านนอกกับลูกพี่ลูกน้องลูกของป้า ก็เฮฮ า, ากันไปตามภาษาตกกลางคืนก็ได้มานั่งคุยกันอยู่แถวนอกชาญบ้านคืนนั้นมีแม่มีป้าติ๋มกับลูกย่าตัวแก่และก็ลุงชอบลุงชอบที่พูดถึงนี้เป็นคนคุยสนุกมีเรื่องเล่าเยอะแยะและหนึ่งในเรื่องเล่าที่แกเล่าให้ฟังในคืนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้พี่ป๊อบจำมาจนถึงทุกวันนี้ลุงแกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนแถวเนี้ยไม่มีบ้านหรอก จะมีก็แค่เพลิงพักที่อยู่ห่างๆกันออกไปถนนหนทางก็ไม่ค่อยจะสะดวกจะไปไหนมาไหนทีก็ต้องเดินเอาอย่างเดียวเลยแหละหรือไม่อย่างดีก็ต้องไปลงเรือที่ท่าวาัดบ้างแต่ก็ถือว่าลาบากอยู่เหมือนกันแต่ตัวลูงเองอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดก็เลยรู้สึกว่ามันเฉยๆมันธรรมดาไม่ค่อยรู้สึกว่าลาบากอะไรหรอกในคลองในแม่น้ำนีำน้ก็มีแต่ทรายคนเอาเรือมาดูดทราย เขดูดไปขายกันมากๆตลิ่งก็พังมันก็ซุดเลยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆคลองพังลงทุกทีซึ่งมันก็ทําให้ที่ดินของชาวบ้านหดหายลงไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่ต้องอะไรหรอกก็ดูอย่างบ้านลุงแหละที่ตอนเนี้ถอยหนีน้ําขึ้นมาเรื่อยๆจนต้องจ้างคนมาลงเขื่อนกันสายพังตลิ่งซุดวัดเองก็เกือบจะลงน้ําอยู่เหมือนกันดีนะที่าชาวบ้านได้ช่วยกันทําเขื่อนค้าไว้ไม่งั้นเนะ่ยเรียบร้อยก็จริงอย่างที่แกว่าเพราะมาตอนกลางวัน ที่ป๊อบก็เห็นเขื่อนนั้นค้ำยันตัววัดเอาไว้ไม่งั้นคงจะพังลงน้ำมาแล้วลุงบอกว่าส่วนหลังวัดน่ะติดคลองส่วนข้างๆอ่ะจะเป็นป่าช้าและป่าช้าที่ว่านี่แหละไม่ค่อยจะมีใครเ ข, าเข้าไปกันหรอกลุงบอกว่าศพมันดุที่ป๊อบแกเลยถามว่าศพดุเป็นยังไงอ่ะเคยได้ยินแต่คำว่าผีดุลุงเลยบอกว่าก็คนตายมันกองกันเต็มไปหมดส่วนมากยังไม่ได้เผา ไอ้ที่ฝังแล้วกว่าแล้วกันไปที่ทางมันก็เลยแน่นไปทั่วล้นออกมาจนถึงตลิงล่งริมคลองเลยแหละคลองเนี้มีปลาไหลชุกชุมตัวอ้วนๆทั้งนั้นแต่ไม่มีใครเข้าจับมากินกันหรอกเขากลัวกันทุกคนลุงบอกว่าก็สับปะเรยในวัดนะ่ะเขาบอกว่าปลาไหลมันอ้วนก็เพราะมันกินศพกินน้ําเหลืองนั่นแหละแถวๆเนี้ยไม่มีใครเข้าจับมากินกันหรอกถ้าจับได้นู้นนั่นเอาไปขายในเมืองกันขายดีซะด้วยนะ ถึงเดีย๋ยนี้ก็ยังมีปลาหลายอยู่อีกเยอะนะเพราะอะไรนะก็เพราะปลาศบมันก็ยังเยอะอยู่นะสิปลาหลายมันก็เลยเยอะตามไปด้วยพี่ป๊อปบบอกว่าตอนนั้นตั้งใจฟังมากลุงแ ก, กเล่าได้ฟิลมากเพราะตอนนั้นก็เป็นเวลามืดๆแล้วด้วยบรรยากาศบ้านนอกมันให้ลุงชอบบอกว่าแถวชายคลองมีต้นมะพูดและต้นลำพูนอยู่สองสามต้นแถวๆนั้นมันก็เลยคลื้มและดูวงเวงแต่ถึงมันจะดูคลึ้มและดูวงเวงยังไง ก็ยังมีคนพายเรือเข้าไปทอดแแหกันบ้างนะลงเบ็ดบ้างประดุกปลาช่อนก็ชุมมากเลยตรงนั้นไอคนที่กลัวก็ไม่กล้าไปไอคนที่ไปก็เพราะว่ามันไม่กลัวมันก็เลยได้ปลากลับมาเยอะแยะสมัยก่อนน่ะมันเงียบกว่านี้มากเพราะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีดุยิ่งคนพูดปากต่อปากเท่าไหร่ผีหลอกมากเท่าไหร่ชาวบ้านก็กลัวกันไปเลยไม่กล้าออกมาจากบ้านตอนกลางคืนกันมากเท่าไหร่หรอกลูกแกบอกว่าก็อยู่มาตั้งแต่เกิด บ้านพ่อบ้านแม่ก็อยู่แถวๆนี้ก็ไม่เคยได้เจอผีกันสักทีแต่มันก็มีเรื่องราวอยู่ว่าใต้ต้นมะพูดมีสาราริมน้ําอยู่พวกหาปลามักจะจอดเรือพักร้อนคุยกันบ้างแต่ก็มักจะทํากันในเวลากลางวันเท่านั้นเวลากลางคืนดึกๆไม่มีใครก็เข้าไปกันหรอกโดยธรรมดาก็จะมีเรือขายกว๋วยเตี๋ยวขายกาแฟบ้างพายเรือผ่านทางนั้นก็ไปขายในคลองวันนึงอาแปะมาเล่าให้หลูฟังว่า อแปะพายเรือขายของเข้าไปลึกขายเพลินมากรู้สึกตัวอีกทีก็เย็นแล้วก็เลยรีบพายออกมาขากลับออกมาอาแปะก็ผ่านศาลาที่ว่านี้ก็เห็นมีคนนั่งอยู่ที่นั่นสองสามคนอแปะบอกว่าเห็นเหมือนเขานั่งคุยกันคนหนึ่งนุ่งผ้ายอยากรังผ้าของม้าพาดบาอีคนผอมสูงอีกคนอ้วนลงพุงทั้งสามคนคุยกันดูเหมือนจะกินเหล้าไปด้วย พอเรื อ, อแปะผ่านไปใกล้ๆก็มีเสียงเรียกให้แวะก่อนอะแปะอะแปะหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดแวะหน่อยอะแปะแกเห็นก็เลยรีบวาดหัวเรือเข้าไปเอาหัวเรือเข้าไปเทียบแล้วก็บอกว่ายังเหลือยังเหลืออีกประมาณสองสามชามแต่ลูกชิ้นหมดแล้วอ่ะจะเอาหรือเปล่าเหลือแต่หมูต้มกับกุ้งแห้งพิตาอ้วนที่อยู่บนศาลาก็บอกว่าเอามาเถอะแปะอะไรก็กินได้ทั้งนั้นแหละตอนเนี้หิวเหลือเกิน เขาบอกก็หิวจริงๆคุยกันกินเหล้าจนเพลินอแปะก็รีบทำส่งให้ทั้งสามคนทันทีฟ้ามันก็เริ่มมืดลงไปทุกทีทุกทีแต่ทั้งสามคนก็กินกันแบบอริดอร่อยกินไปคุยไปก็ทำให้อแปะใจชื้นขึ้นมารู้สึกว่ามีเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเนี่ยจนเมื่อกินเสร็จทั้งสาคนก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่าแหมเวลาหิวๆเนี่ยกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นะ และคนผอมสูงก็ส่งเงินค่าก๋วยเตี๋ยวให้แกสาบาทอแปะก็บอกว่ามากไปขอแค่บาทเดียวก็พอเพราะสมัยนั้นน่ะกับข้าวกับปลามันถูกค่าเงินมันแพงอยู่ตาอ้วนก็บอกว่าเอานะ่าอะแปะเย็นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลําบากเปล่าๆเอาไปทั้งสาบาทน่นแหละอะแปะก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณใหญ่เลยขอให้รวยขอให้รวยและแกก็พายเรือออกจากท่ามุ่งหน้ากลับบ้าน พอถึงบ้านแกก็เก็บข้าวของขึ้นจากเรือแล้วก็เอากล่องสตางค์ออกมานับอีตอนนับเงินเนี่ยแกแปลกใจเพราะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ปนมาอยู่3ามชิ้นแกเห็นแกก็เอามือขยำเศษกระดาษทิ้งไปคิดว่าเป็นเศษห่อสตางค์และหลังจากนั้น น, น, นานๆทีแกจะได้กลับบ้านค่ำสักทีจบจมมีวันหนึ่งแกได้กลับบ้านค่ำอีกทีหนึ่งและเมื่อแกพายเรือกลับมาตรงจุดเดิมตรงศาลา แกก็ได้เจอกับ3มคนนี้นั่งคุยกินเหล้ากันอยู่แบบเดิมเลยทั้งสามคนก็บ่นว่าไม่เห็นแปะนานแล้วอ่ะไม่ได้ขายของเหรออาแปะเลยตะโกนตอบไปว่าวันไหนหมดเร็วก็กลับเร็กเวก็เลยไม่เคยได้เจอกันนะ3มคนนี้ก็เรียกให้อ่าแปะเข้าไปขายให้กินอีกอาแปะก็วาดหัวเรือเข้าไปบริการดิบเหมือนเดิมกินเสร็จจ่ายเงิ่อนใจทองก็เรียบร้อยแกก็กลับบ้านมานับเงินก็เจอเศษกระดาษอีก แต่ตัวอาแปะเองก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่เหมือนเดิมจนวันหนึ่งทางวัดมีข่าวแจ้งมาว่าลูกหลานของศพที่ฝังเอาไว้จะมาขุดอศพไปเผาพวกชาวบ้านก็เลยถามว่าศพใครบ้างเน่เขาก็ว่าศพตะพวงศพตะเชาและศพตะจักรวันนั้นเป็นบันที่อาแปะหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาร่วมทำบุญที่วัดด้วยแกยืนรอดูรูปที่พวกญาติเขาถือนาหน้าเข้ามาแกก็เข้าไปดู พอแกเห็นรูปชัดๆเท่านั้นแหละแกขาสั่นเข่าอ่อนแทบจะเป็นลมล้มทันยืนเลยเพราะที่แกเห็นก็คือไอ้เจ้าสามคนที่เรียกแกกินกว๋วยเตี๋ยวบ่อยๆนั่นแหละแกจําคนที่นุ่งผ้าหยักรั้งตาผมอมสูงๆแต่คนลงพุงได้ซึ่งก็คือตะพวงตาเชาและตาจักนั่นแหละแกบอกเลยเฮ้ยที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ขายให้ผีหรือไงเนี่ยอีสามคนเนี่ยมากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่หลายครั้งแกก็ถามว่าตายนานหรื อ, อยัง ลูกสาวของคนมารับศพก็บอกว่าโอ้ยตายไปเป็นปีละแแะตอนนั้นยังไม่มีเงินทำศพตอนนี้มีแล้วก็รือว่าจะเอาไปเผาแหละอาแปะตกใจกลัวมากแต่ก็เฉยๆไว้ก็เดินตามคนอื่นๆเดินเข้าไปในป่าช้าคนอื่นก็ถือจอบถือเสียมตามกันมาเป็นพรวนบางคนก็ห่อผ้าขาวมาเตรียมไว้ห่อกระดูกคนที่เดินนาหน้าก็คือส ป, ปรอยอดและหนึ่งในขบวนที่จะไปขุดศพก็มีตัวของลูกชอบอยู่ในนั้นด้วย ลุงบอกลุงเดินตามสับเบอร์เขานี่ยแหละส่วนหลวงพ่อเดินถือตละลัปัดนำหน้าศพของทั้งสามคนอยู่ที่ริมคลองใกล้ๆกับสาราที่แปะไปขายกว๋วยเตี๋ยวไว้เขานั่นแหละพอทุกคนเดินก็ไปถึงตรงที่ฝังศพยังไม่ทันได้ขุดก็ได้ยินเสียงปแปลกๆเสียงจ๊อบเสียงจับจ๊อบจับจ๊อบจับก็เลยช่วยกันเงี้ยวหูฟังแต่ตัวของลุงชอบชอะเริ่มขนลุกแล้ว หันไปมองเห็นอะแปะอาแปะก็ยืนนิ่งลอกแหลกเหมือนกันทีนี้พอทุกคนลงจอบกําลังขุดดินก็ได้ยินเสียงจ๊อบแจ็บจ๊อบแจ็บจ๊อบแจ๊บแปลกๆดังขึ้นมาอีกและพอขุดถึงฝาโล่งก็เตรียมจะงัดฝาโล่งขึ้นและก่อนที่จะงัดทุกคนก็กลับได้ยินเสียงนั้นดังอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ดังขึ้นกว่าเดิมมากเสียงมันดังออกมาจากฝาโล่งจ๊อบแจ็บจ๊อบแจ็บจ๊อบแจ็บสปเรย์ยอดก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮเก็ถิบถอยกันไปก่อน เตรียมตั้งหลักไว้เว้ยไม่รู้ว่าอะไรไมาอยู่ในโรงเสียง ม, มันดังจุบจุบจบจบดังไปหมดเลยพอสับปเปลยยอดกับชาวบ้านเอาเสียบและจอบงัดฝาโรงเปิดออกมาเท่านั้นแหละอาแปะก็ร้องไอหยาดังลั่นเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือปลาไหลเต็มโรงไปหมดเลยทะโกอยู่มาต้มเป็นกระบุงแน่ๆ แ, แล้วสับปเปลือก็ลองเปิดอีกสองศพก็เป็นเหมือนกันทุกโรงมีปลาไหลตัวอ้วนๆเต็มโรงไปหมดเลย ดูและสยดสยองน่ากลัวมากบางตัวก็ตัวอ้วนบางตัวก็ตัวสั้นหัวโตตาพองปากก็กำลังดูดกินน้ำเหลืองช้อนใช้ศพที่เริ่มเน่า ย, ยุ้ยเยี้อไปหมดสเปเรยอย่อก็ต้องกลั้นใจเอาจอบเขี่ยกระดูกใสพ่พาคขาวเป็นหอ่อและส่งให้ลูกให้หลานของเจ้าของศพพอหมดแล้วต่างคนต่างก็จะเดินออกแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงแหลมดังตามหลังมาอะไรอะไร แย่งไปได้กำลังดูดน้ำหวานอยู่เชียวกลับมาเอาอีกซียังมีอีกเยอะนะและเสียงหัวเราะกระดังลั่นไปทั่วทั้งป่าช้าเหมือนคนสิบกว่าคนหัวรอะตอกซิกกันดังตรงนู้นทีตรงนี้ทีทุกคนขวัญเสียเลยรวมทั้งลุงชอบยิ่งอแปะเนสันเลยตอนนั้นทุกคนดีดเดินกันอย่างเดียวจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวกระดกมาเลยอแปะนาหน้าเลยคราวนี้ลุงชอบเห็น ตัวของลุงชอบเองก็เปิดแนบเดินนําหน้าริ้วเหมือนกันส่วนหลวงพ่อท่านล้างท้ายแต่ลุงชอบบอกว่าก็สังเกตว่าท่านก็จำมาเหมือนกันพอออกพ้นจากป่าช้าต่างคนก็ต่างแยกย้ายทันทีอาแปะบอกว่าอ้วกับก่อนนะเย็นมากแล้วหรือกลัวว่าเลิกขายก๋วยเตี๋ยวถึงเย็นแล้วเนี่ยเข็ด จ, จริงๆเลยลุงชอบบอกว่าแกกลับไปถึงบ้านเสียงหัวเราะเสียงพูดก็ยังก้องอยู่ในหัวทั้งคืนนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับ สุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่นนั่นแหละถึงจะหลับลงได้แกว่าป่าช้านั่นน่ะผีมาดุเหลือเกินเพราะมีแต่ผีตายหงทั้งนั้นขอรุงชอบเล่าจบทั้งคุณแม่และรูปของป้าติม๋มรวมทั้งตัวของพี่ป๊อบเองก็นั่งตัวรีบเหวอกันหมดเลยายองเรื่องที่รุงชอบเล่าไว้ฟังคราวนั้นรู้สึกฟังแล้วมันคิดอะไรได้หลายแบบมีทั้งความสยองขวัญความน่าสะอิดสะเอียน มันเลยเป็นเรื่องที่ทําให้พี่ป๊อบจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ีปลาไหลกับศพเรื่องนี้รับที่พี่ป๊อบถ่ายทอดให้ฟังก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าหากเรื่องเนี้ยคนฟังชอบกินปลาไหลและอาจจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยดีกับอาหารอย่างนั้นก็ขออภัยด้วยครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ฟังเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ